พระบัญญัติ366ก็ภิกษุจะสร้างวิหารใหญ่ที่มีเจ้าของสร้างถวายสร้างเป็นของส่วนตัวต้องพาภิกษุทั้งหลายไปแสดงพื้นที่ให้ภิกษุเหล่านั้นพึงแสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบถ้าภิกษุให้สร้างวิหารใหญ่เป็นพื้นที่มีอันตราย เป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบหรือไม่พาภิกษุทั้งหลายไปแสดงพื้นที่ให้เป็นสังฆาทิเศษเรื่องพระช น, นะจบ